ก็เป็นโอกาสดีนะคือตท่วกเราได้มาอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมกัน ลงทะเบียนฐานะสำคัญ ด, ด้วยความสงบที่คณะทัพมี่งขวามเป็นหัดเลยคนระูบาอาจารยนะ์ท่านแสดงตัวอย่างนะในกางที่ท่า น, านตั้งแต่ท่านอยู่นะท่านก็ทำให้ดนะูตายก็ตายให้ดูคนระ <c oughs> ูบาอาจารย์เป็นอยา่างกระหยาดแตเวลารู้ว่าจะเอ ง, งรักษาไม่ได้ อยู่วัดก็ไปอยู่วัดนะอย่างน้อยก็ไปใช้ชีวิตก่อนและสำคาญนะเพื่อให้รู้เพื่อให้รู้สิทธิลูกหาได้อูนะดูตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตปกติดูตั้งแต่ตอนที่ป่วยนะแล้ว ก, ปกปดูตั้งแต่ตทำนะ ต, ต, ต า, าด้วยนะคือเรียกว่าอยู่เพื่อเพื่อสส อ, อนรู้สิทธินะเป็นการอนุเคราะห์โลกนะ ในอบยกันที่จริงก็ทุกลูก น, นันะได้มาตั้งแต่พระพุทธองค์ภูมิเจ้นานะแล้วก็พระราชาสาวกต่างๆก็จะมีชีวิตอยู่แบบนั้นคือเมื่อรู้เมื่อเข้าใจธรรมะแล้วส่วนใหญ่ก็คือเลือกที่จะช่วยกันเผยแพ่ธรรมะเผยแค่คำสอนนะที่จะเป็นทางที่จะนำไปสู่ความวิตุก นะทำอะไรที่ไม่ดำดินงจะไม่ทุกขนะ์เนี่ยท่านเอาตัวของท่านพิสูจนะ์ก่อนพิสูจน์เมื่อได้ผลนนะก็เอามาเผยแพร่ต่อ <c oughs> อย่างหลวงพ่อเทียนเองท่านก็พิสูจน์ธรรมนะนัด้วยการปฏิบัติธรรมตนะั้งแต่สป็คนคระวาสตั้งใจปฏิบัติธรรมจนท่านเข้าใจธรรมะเป็นครรวาสนกะ็ยังบอกสอนนญะาติโยม นะบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นท่านมีความเข้าใจตนะ อ, อกบวชก็ยิ่งตั้งใจเผยแผ่ธรรมะนะประมาณท่านปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจทปมประมาณปีสอง0ัห้าร้อยปีสองพัร้อสามสิบเอ็ดก็ลสองครานนะก็ว่าสามสิบเอ็ดปีนะที่ที่เผยแผ่ธรรมะนะพวกเราเองก็ยังได้ประโยชน์เนาะแม้อุบาจารย์ท่าน น่าสังห์ไปแล้วนะเราก็ยังได้ได้อ่านได้ดูได้ฟังบ้างนะแต่ที่สําคัญคนะให้เราทดลองปฏิบัตินะหรือว่าหลายคนก็ได้ทดลองปฏิบัติแล้วก็มีแต่ว่าทําให้มันต่อเนื่องขึ้นกนะารที่เรามาปฏิบัติทำรอบนี้ก็เหมือนเรามาทําสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังหรือสิ่งที่เราเคยทํามาแล้ว ทำให้มันต่อเนื่องขนะึ้นนะหลวงพ่อีนท่านเจตมิสคำว่าให้ทําต่อเนื่องนะเป็นลูกโซ่นะให้ทํานะก็คือให้ภาวนารู้กายรู้ใจของเราให้มันต่อเนื่องไปนะทําให้มันต่อเนื่องมันจะเกิดผลถ้าทําไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ไม่เกิดผลแต่ว่าถ้าทําต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเราจะไม่เผลอเราจะ ไม่หลงเออแตไม่คิดไม่ใช่อย่านั้นนะไมายถึงว่าให้พยายามนะพยายามว่างหรือว่าทําไหนแล้วก็พยายามทําในรูปแบบนะตอนไหนที่ทํานอกตู้แบบเป็นยินรียบทย่อยแล้วก็พยายามตามรู้นะตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้ใ น, ใในในกายใจของเรานะหรือว่าแม้มีสิ่งที่กระทบสัมผัสนะทำตาทำหูอะไรนะ เราก็คอยวิสติรู้ทันอันนี้คือทำให้มันต่อเนื่องเรียนกะว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเผู้จัดที่สามที่เคยทำนมวัตเทียนนะตอนทัานบวชใหม่ๆไปๆไปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน ท, ท, ที่วัดสนามในนละวงผู้จาดเขาบอกปฏิบัติแล้วอาจจะบางช่วงนั้นเหมือนอยากจะทำอย่างอื่นบ้างอยากจะพักอยากจะถอนใจอย่งอื่นบ้างก็ทำวัตเทียนนี่นแหละวต้องทําวันหนึ่งนะ นานเท่าไหร่ทำแป่กีโมงถึงกีโมงประมาณนั้นท่านก็คงอาจจะคิดว่าแบบเหมือนเวลาราชการนะแต่โงงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นเลยประมาณนั้นแต่หลวงพอเท็นท่านบอกทำาั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นขึ้นมาก็คอยรู้ตัวแต่ท่านมันดับไปก็จัดด้วความรู้ตัวมันดูเหมือนยากนะอู้ข น, นาดเราทงานมาแล้วแปดชั่วโงก็เหนนะื่อยเนาะ แต่ถ้าปฏิบัติทำจริงๆนะก็อาจจะเหนื่อยแต่กายนะแต่ใจมันมันไม่เหนื่อยมันไม่หนักถ้าเราปฏิบัติปลูกนะมันมันมีแต่ปฏิบัติแล้วใจมันเบาขึ้นใจมันสบายขึ้นใจมันมีความสุขมากขึ้นนะแต่ตายแน่นอนแนะ่ะเราเดินนานๆเรายกมือนานๆเรานั่งนานๆเนนะี่ยมันก็มีปวดเมื่อยบ้างแหละเมื่อทีก็ ก็ต้องแบบเรียนรู้มันดูเนาะเรียนรู้มันดูแต่ก่อนมาปฏิบัติบางทีอลอนบางช่วงเก็บอารมณ์เนี่ยนะเดินจนปวดขาแปลว่าเรานอนประมาณหกชั่วโมงนะนั่งสักโงนลวงก็นะไม่เกินสองสามชั่วโมงนะที่เหลือเดินสิบสามสิบสี่ชั่วโมงนะต่อวันนะมันก็รอบเดินก็สองสามชั่วโมงอนะไรเงี้ยะมันก็จะ ในบ้านเนะเป็นธรรมดาแต่เราก็พยายามค่อยๆขยันนะค่อยๆขยันตามรูออ้เอาหนึ่งอย่างหนึ่งก็คำว่าต่อเนื่องเนี่ยก็คือว่านอกจากเรารู้รู้กายรู้กายที่เคลื่อนไหวบางขณะที่ใจมันเถือนไปเราก็คอยตามรู้มันตามรูนะ้ กายเพื่อนนะเราก็คอยมีสติรู้ใจเพื่อนเราก็มีสติรู้อันนี้คือความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่ามันจะรู้แต่กายตลอดนะไม่คิดเลยนะถึงจะรู้สึกตัวตอนนี้ก็ไม่ใช่นะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้อะไรก็ได้นะแต่บางครั้งมันขาดไป แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันยังไม่ใช่ทิสัยของเราที่เรียกว่ามีสติเป็นหน้ารอบอมีสติเป็นตลอดเวลานะคนที่มีสติตลอดเวลาจริงๆคือพระจอาหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราหลายคนจะเป็นผู้ฝึกใหม่นะมันย่อมมีบางช่วงที่ขาดนะมีช่องที่เผลอไปแต่มันต้องอะไรนะความขยันความขยันความเกียดตรงนี้มันจะมาชดเชยนะ คือเราก็มีสิทหลงเท่าๆกันนะแต่ไทยจะขยันแก้ไขความหลงให้เป็นความรู้นะอาศัยแก้ไขต่อที่มันหลงไปคิดกนละับมารู้ตัวได้บ่อยอันนี้คือมันจะคนจะขยันนะหรือคนจะขี้เกียจขี้ค้างนก็ต่างตรงนี้แหละนะพวกเราต้องอาศัยความขยันนมาเลิกเต้นเมื่อไหร่สร้างสตินะตรงพ่อ ก, ก็เลยสอนให้เราว่า จือ่นิ่งพยายามให้แบบมีการเคลื่อนไหวบ่อยๆนะนั่งติเฉยรอรอทานอาหารหรือว่ารอเข้าห้องน้าก็ได้แต่น้อแล้วก็สร้างการเคลื่อนไหวนะปิดมือก็ดีหรือว่ากระกระดิกนิ้วก็ดีหรือแม้แต่ตอนนอนนะไม่ใช่แบบนอนไส่คลิดไปก็นอนขึง น, นิ้วก็ได้นอนกระดิกเท้าก็ได้ะ นอนดูลงหายใจก็ได้ ค, คือคืออย่าปล่อยเวลาว่างให้มันป่าประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเวลาว่างให้มันเปล่าประโยชน์อ่ะคนอย่างมันจะไปเผลอคิดเหม่อลอยนับใ จ, ใจลอยใจลอยกับเรื่องความคิดใจลอยกับเรื่องมาอะไรตัวที่รู้หลวงพ่อก็เลยบอกให้เราสร้างการเคลื่อนไหวบ่อยๆให้เป็นคล้ายๆที่เป็นวิสัยเลยแต่มันก็ต้องระวังนะ ระวังแนละ้วบางทีเราก็สร้างการเสลื่อนไหวแต่กายแต่ใจก็เติรเวได้เหมือนกันเนี่ยก็ต้องระวังบางทีผู้ที่ปฏิบัติจนแบบทำท่าป้องหรือว่าสดินิ้วจนเป็นอัตโนมัติแล้วอนะไรประมาณนี้บางทีกายก็ทําแต่ใจก็เป็นไหนก็ไม่รู้นะถ้าถ้าเรารเลึกได้ว่าเราทําแต่กายแต่ใจที่อยู่ด้วยบางทีจจะต้องมีการเหมือน มีการหยุดให้มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่แบบทําแบบแบบนั้นซุกโซนทําแบบนี้ก็ทปเรื่อยๆก็จะพูดไปคิดไปก็อก็จะดืมตัวก็จะต้องทำให้เป็นจังหวงะให้มันชัดขึ้นเพราะว่ามันเรียกว่าจิตความเป็นการเพิ่มความตั้งใจความตั้งใจเรียกว่าเป็นความตั้งใจคือสมาธิความตั้งใจมั่น เรียว่ามีสมาธิกเนาะเรามีความตั้งใจทําอะไรก็ตั้งใจทําตรง น, นั้นยกมือก็มีความตั้งใจตรง น, นั้นมันมั่นคงตรง น, นั้นนะมันมั่งงนคงเนาะพรความตั้งใจมั่นมันนอกจากมันมั่นคงแล้วมันมีความขยนันเนาะสมาธิหลายคนทําแล้วขี้เกียจขี้ค้านออยากจะสงบยังดีเทียวอยากจะไม่อยากรู้อะไระอยากจะสบาย อันนั้นยังไม่ใช่สมานะสมาทิสนะสมาสัมมาธิต้องตั้งใจแล้วก็รู้ตัวเลยนะเรียกว่าตั้งใจมั่นนะตั้งใจมั่นไม่วันไหวไปกับอารมณ์หรือวันไหวไปแล้วเราก็กลับมากลับมาอยู่กับกรรมฐานนะคือแล้วก็มีการขยันรู้ไปเรื่อยๆเลยนยะสมาธิกับความเพียรมันไปด้วยกัน น, นะนั่นเราก็อาศัยการสร้างจันวะนาะการเคลืนไหวบ่อนยะ โดยเพียงพอสองสองามวันนี้เนาะเราอยู่ตรงนี้นะก็เราก็ใสอ ย, ย่างอื่นช่วยด้วยเนาะตัดใจนะนะป้ายนะงดพูดนะอนะ่าไปดูแต่กคนอื่นน่ะดูไฟพิ่ติดตัว เ, เองด้เรืนะ่อยนอกจากเรามดพูดมาคุยแล้วก็ก็งดการสื่อสารไปด้วย็ดีนะโทรศัพท์อะไรนีก็กต้องดูบางทีมันพิมพ์ก็เหมือนพูดเลยเนาะ <c oughs> แต่ถ้าจะดีกันั่นก็คืองดใช้ความคิดนะอ่อะไรที่มันไม่จําเป็นต้องคิดนะเราก็ไม่ต้องใช้นะบางทีมานการธุรับในต่างๆบางแผนอนาคตอ่ะรอก็เสร็จข้อนี้ค่อยคิดดีไหมลองดูลองแบบอยู่แบบไม่ต้องใช้ความคิดนะให้มันรู้จักว่าเออถ้ามันหลงไปคิดเนี่ยแปลว่าคือเราไม่ตั้งใจมันแอบเข้ามา การปฏิบัติธรรมสมมตอเราตั้งใจว่าชวงนี้เรจะมีคิดอะไรนะไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้นะไม่ต้องกลัวมันจะคิดไม่ออกนะอืมแต่เราลองตั้งใจว่าช่วงนี้จะไม่เอาเรื่องอะไรมาคิดนะเรื่องมาเรื่องอะไรต่างๆมาคิดนะพอเราปฏิบัติธรรมถ้ามันคิดขึ้นมาแทกขึ้นมามันเราจะรู้ว่าอ๋อตัวนี้แหละมันเผลอไปมันแทกเข้ามามันจะได้ไม่ต้องแบบมา คิดเจตนาว่าความคิดนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ น, นะควคิดนี้ควรจะเก็บไว้หรือว่าก็จะวางเลยแคนะ่ถ้าเราแบบตั้งใจมัวางทุกอย่างวางทุกความคิดไปวางทุกความคิดไปนะมันก็จะมันก็จะทำให้เราแยกแยะได้ชัดขึ้นว่าตอนตอนที่เราปฏิบัติธรรมก็มีความเผลอเผลอคิดขึ้นมาแทรกเข้ามาอันนั้นก็จะเป็นการช่วยนะช่วยให้เราเห็น เห็นว่าความตั้งใจมันเป็นแบบไหนความเผลอออกมาเป็นแบบไหนเนะี่ยมันก็ถ้าเราทำต่อเนื่งนะมันก็จะเก็มาแน่แหลนะภาษาเนะี่ยหลงเขียนใช้ว่ามันรับคิดรนะับรอลีนนะรักขโมยนะแอบมาแอบมาคิดนะคิดแล้วมันไม่พอถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็จะปุงมแต่งต่อไปเรื่ออนะเนาะอืม่ยลองลองทำแบบนี้นอกจากเรา ตํารวมวาจาเนี่ยตํารวมการสื่อสารต่างๆรวมทั้งตํารวมเรื่องความคิดนะไม่ตั้งใจเนี่ยไม่ต้องไปหาเรื่องตั้งใจคิดเพรบางทีบางคนพอดะปฏิบัติบางทีมันเกินมั น, นมันได้สมองบางทีมันก็คิดธรรมะก็มีคิดอยากเดชช่วยนั้นคนนี้ก็มีเนาะมันเป็นมันเป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งการปรุงแต่ง เราต้องวางไว้ก่อนทุกความคิดวางไว้ก่อนนะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะต้องห้ามไม่ให้คิดนะเราไม่ห้ามแต่เราไม่ตามเนาะมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดแต่เราไม่ตามความคิดอันนี้คือการเราจะเห็นมล้ก็มันคิดเรืเ่องของมันแต่เราไม่ตามมันอืมัมนบางทีมนะาชอเปเรียบเทียบว่าเหมือนคล้ายคยเหมือนเราไปเดินห้างนะ เดินห้างพามิเคยเดินห้างนะนะก็เวลาเราไปเดินห้างเราเห็นสิดค่าเห็นนั่นเห็นนี่มันเห็นก็เกิดอาจะเกิดความอยากความต้องการนะ่ะแต่ลองดูแบบวันนี้ตั้งใจจะไม่ซื้ออะไรนะ่พอเราไปเดินเดินมันจะเห็นความอยากในใจเยอะมากนี้ก็มันจะมีเหตุผลสรารภาพมาอมขอ ต่อราสักหน่อยนะมันดูดศากตรราคาแล้วนะจะมาวันหลังมันก็เสียเวลานะมันจะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายเห็นนี้ก็ซื้อเปลี่ยนปากเป็นปากพ่อปากแม่ดีกว่าเห็นนี้ซื้อไปถวายาพระดีกว่าเนีนะมันจะมีเหตุผลหลายอย่างถ้าเราแบบตองตั้งใจแล้วเราจะไม่ทํามันจะมีสิ่งมายั่วเราเยอะมากอยาจะมาพูดเรื่อนี้ก็เห็นอะไร พอย่างเป็นพระเปนเห็ื่อซื้อของจะบใจ ม, มันมันไม่ข้องนะเราก็ไม่ค่อยซื้อบนะแต่พอเราผ่านอเดรต่างมันจะเห็นไอ้เรื่องพวกนี้ยมันเยอะนะแต่คาราวาสของจีนมันมันมีเหตุผลมีข้ออ้างเยอะเนะนี่ยพวกเนี้มันเราก็ต้องทดลองดูนะทดลองดูอันนี้พูดไปถึงว่าความคิดมันก็คล้ายๆแบนั้นแหละมันก็เป็นเครื่องยั่วยวน มาหลอกล่อให้เราคิดให้เราปรุงแต่งอเราก็ไม่ได้ห้ามเขานะนความคิดก็เป็นหน้าที่ของความคิดการปรุงแต่งก็เป็นหน้าที่ของสัมผาสเจ้าสัมผาสเจ้าปรุงแต่งแต่หน้าที่เราก็คือว่าเราก็สามารถเลือกได้นะอืเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาขายกินข้ามาขายของหน้าที่เรา เงินก็อยู่ในกระเป๋าเรานะเราก็เลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นสิทธิ์ของเรานะความคิดที่เขามาเร่ขายให้เราสนองให้เป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เรื่องของเขานะแต่หน้าที่เราเนะี่ยให้เราตั้งมั่นไว้ตั้งมั่นก็คือว่าไม่ไหลไปกับเขานะไม่เติมไปของเขาเขามาเครียดก่อก็อมาย่วยยวนนะใจะเค้งไปรละนะต่อมากลับ <c oughs> วิสติกลับมาเนะีนะ่ยความคิดเราไม่ห้ามแต่เราไม่ตามนะให้เห็นว่าความคิดก็ส่วนหนึ่งแต่เรามาสร้างสร้างความรู้สึกตัวเข้ามาแทนที่มันด้คิดแค่กี่ครั้งพันผลก็ไมเป็นไรเราก็รู้สึกตัวของเราไปให้มัน่อเนื่อเนมะือนเนี่ยคือถ้าเราปฏิบัติทำอย่างต่อนเนื่องรนะับมีการสํารวม กายวาจาสมนสใจเลยมันจะเห็นได้เยอะนะแต่ก็อย่าไปเครียดจินไปนะอย่าไปจริงจังเคร่งเครียเดเินไปให้ทําแบบหาจังหวะทํา ท, ที่มันแบบคล้ายๆทานั้นมันผ่อนคลายมีความเพลินมีความสุขในการกระทํำนนั่งก็นั่งไม่จะเป็นต้องแบบนั่ง น, น, นานๆตลอดนะนั่งก็ นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งกับสมาที่บ้างก็ได้นะนั่งให้มันผ่อนคลายนั่งให้สบายเดินก็เหมือนสถาที่เดินอะที่มันรู้สึกเดินได้นานๆเดินได้รู้สึกไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปน่ะนะแล้วก็มันจะได้รู้สึกปลอดโป ร, ร่งล่สบายนะเพราะว่าพอเราทําเป็จริงๆนะถ้าเราทําแบบต่อเนื่องบางทีมก็จะมีความเครียดสะสม ที่ของกายนะสตัง้ตงกายก็ปวดเมื่อยเจ็บปวดนั่งเยอะขึ้นนะแต่เราก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างนะอย่าไปฝืนเกินไปก็ไม่ดีนะแต่บางอยากก่างก็อาจจะฝืนนะมันง่วงก็ต้องฝืนมันนะง่วงมันอยากจะนอนก็ฝืนมันหน่อยนะฝืนทีมันนั่งสักเดียวเองมันอยากจะเปลี่ยนนะก็ต้องฝืนมันบ้าง น, นะถ้าแบบนั้นนะแต่ถ้า ความเจ็บปวดเมื่อยจริงๆก็ต้อปรับเปลี่ยนมัแต่เราอาศัยปรับเปลี่ยนอย่างมีสติเขาจะเปลี่ยนท่า น, นัาง่งเราก็เปลี่ยนอย่างมีสติเขาจะเปลี่ยนเรียบบทอะไรต่างๆก็เปลี่ยนอย่างมีส ต, สตินี่คือเราอาศัยพวกนั้นมันช่วยแล้วก็พยายามดูอย่างที่ว่าจะปรับเปลี่ยนเรียบบทน่ะบางทีเราก็เจ็บเขินปรับเปลี่ยนเรียบบทแต่ นั่งเป็นเดินเออจะนั่งเป็นยืนจัดยืนเป็นเดินนะฮะหรือจัดนั่งแล้วก็กลายเป็นนอนบางทีในการสิ้นเรียบทาทีมจะมีช่วงเวลาที่เราเหมือนขอขี้เกียจรู้สึกตัวไปว่าฮ่า <c> อ <oughs> ่ลืมตัวนะลืมตัวหรือว่าปวดทีนะโอ้คิดถึงแบ่ปวดทีมคิดถึงแต่ตอนปวดนะใจลืมเดินไปห้องน้ำขาดสติไป มันบางทีสี่ียบทที่มันย่อยๆหรือว่าช่วงเปลียนจังหวัดนะเราก็อยากเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยมันได้มากที่สุดนะอันนี้คือเร า, าศสยความขยันนะแต่เราก็จะไปทาดหวังเกินไปนะว่ามันจะต้องรู้ร้อยเปอร์เซ็นรู้เจ็ดสิบเปอร์เซนะไรต่างๆนะรู้เท่าที่มันรู้ได้นะค่อยๆพัฒนาไปนะค่อยๆพัฒนาไปนะแต่เราอาศัยว่าเราทำเต็มที่ ต่เจ็บที่แต่มันจะรู้เท่าไหร่ก็เท่านั้นยอมรับมันยอมรับตรงจริงแต่เราก็ต้องแบบค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้คือก็อยากจะปากพวกเราไว้นะในเมื่อกเราก็มีความตั้งใจมาปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้แล้วก็อาศัยทำ ม, มันต่อเนื่องไปทำทั้งภายนอกแล้วก็ทำภายในนะทัทําร่างกายที่ขยัน ทำความเทีทเยนนะแล้วก็จิตใจที่ไม่ว่ามีะมาณที่ตั้งมั่นมีสตริรู้ตัวนะไม่ใช่ทําแต่ท่าแต่เราต้องอาศัยความรู้สึกตัวก็มาตามรู้ตามมือเป็นเรื่องด้วยนะก็อย่าจะปากโกราไวนะ้นะเดี๋ยวมีพระอาจารย์ตุ้นนะมาด้วยนะแล้วก็พระมาจากที่อาศมด้วยกันอีกรูปหนึ่งก็อยู่ปฏิบัติเป็นเพื่อนของเราด้วยนะ แต่ตรงนี้อะไรแต่ปรับเปลี่ย น, ยนอยอะไปมไม่มีอะไรเนะาะตอนมีเวลาก็นวีไอพีมันนี่ก็ลงเลยมาจะต่ำทุ่งน้ำแล้วอยู่ลุนนี้เราทำบันทามันตอนตีสิบตีสิบครึงะะร่งนะครับตีสิบครึ่งเดี๋ยวเราปฏิบัติ มีใหรที่ต้องการกาดแนะนำการปฏิบัติไ